เวลาเรานั่งเฉยๆนะคอยรู้ทันรู้ทันร่างกายก็ได้เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายกระดุกกระดิกรู้ละเอียดเข้าไปอีกเห็นจิตใจมันมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มันมีการทํางานเกิดขึ้น เวลาเราดูจิตดูจิตนั้พูดถึงคาว่าดูจิตเราจะดูได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างเรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภโกรธหลงรนี่รู้สึกมีศรัทธารู้สึกขยันภาวนามีวิริยะ คอรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆดูบ่อยๆ อ, อีกงานหนึ่งก็ดูพฤติกรรมของจิตคือดูการทำงานของจิตจิตมันทำงานเรียมมันเขาวิ่งไปดูจิตที่ดูเกิดชั่วขณะก็ดับ เดี๋ยวจิต้าไปฟังจิตที่ฟังเกิดขึ้นช่วขณะแล้วก็ดับจิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปรู้รสจริตที่ไปรู้สมัมผัสทางกายจิตที่ไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูพฤติกรรมของมันพฤติกรรมของมันคือ เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปรู้ว่าอารมณ์ทางใจจิตมันมีพฤติกรรมของมันงั้นดูพฤติกรรมไม่ออกดูความรู้สึกเอาอย่างใจเราตอนนี้สุขหนือใจเราตอนนี้ทุกข์ก็รู้แค่นี้แหละง่ายๆ หนือตา น, นีกลางๆไม่ทุกไม่สุขความรู้สึกทางใจนะเวทนาทางใจนะมีสามารถมีความสุขมีความทุกข์แล้วก็เฉยๆมีสามารถ้าเวทนาในกายเนะี่ยถ้าไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วมันสลับไปสลับมา สติปัญญาเราแก่กล้านะเราจะเห็นวนะ่สุกทุกจริงจริงมันตัวเดียวกันนหะช่วงไหนร่างกายเราทุกน้อยเราก็รู้สึกว่าสุขช่วงไหนมันทุกมากขึ้นก็นรู้สึกว่าทุกจิตใจนี้ก็เหมือนกันในความเป็นจริงแล้วจิตใจมันทุกอยู่ตลอดเวลาช่วงไหนทุกมากเรากว่ามันทุก ช่วงไหนทุกน้อยเลาเพราะว่ามันมีความสุขนคนทั่วๆไปก็เห็นได้แค่ว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์กายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นี่คนทั่วๆไปแต่เป็นทั่วไปชนิดดีนะคนทั่วไปชนิดไม่ดีไม่อยากใช้คำว่าอย่างเลวเพราะาประเภทไม่ดี กายสุขหรือกายทุกข์ก็ไม่รู้ใจสุขหรือใจทุกข์ก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยหลงอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ดีนี่ถ้าเราพาวนาเราก็เห็นกายนี้เดี๋ยวก็สุขกายนี้เดี๋ยวก็ทุ ก, กข์ใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์นี่พอภานามากขึ้นไปอีกพาวนาได้เก่งแล้ว เราจะเห็นว่าสุขไม่มีจริงหรอกมีแต่ทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตเป็นทุกข์ล้วนๆแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยช่วงไหนร่างกายเราทุกข์น้อยเราเพราะว่ามันมีความสุขช่วงไหนจิตใจมันทุกข์น้อยเราเพราะว่ามันมีความสุขแต่ภาวนาได้ละเอียดจริงๆเราจะรู้ว่า นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปนะมีทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับไอ้ที่ว่าสุขสุขนั้นถ้าเราพาวนาถึงขัาละเอียดนะเวลาใจมันมีความสุขขึ้นมาอย่างกระทั่งเข้าฌานนะจิตเข้าฌานมีปีติมีความสุขขึ้นมา ในโลกถือว่าดีวิเศษเหลือเกินนักปฏิบัติที่มีญานทัศนะแหลมค ม, มจะรู้เวลาที่จิตใจมีความสุขหรือจิตใจทรงฌานขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นพบพบหนึ่งนันเป็นภาระเครื่องบีบคั้นจิตใจจิตใจไม่มีความสุขหรอกจิตใจมีภาระ ในถ้าเราพวาวนาเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่สุขบ้างทุกบ้างอย่างที่เคยรู้หรอกในความเป็นจริงแล้วกายนี้มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยจิตนี้มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยพอเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงจะคลายความยึดถือได้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้น พวเรารู้สึกไหมร่างกายเราสุขบ้างทุกบ้างรู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกอย่างนี้ยยังไม่ได้พรานาคานะยังปล่อยวางกายนี้ไม่ได้ถ้ารู้สึกกายนี้สุขบ้างทุกบ้างพอมีสองทางเลือกเราก็เลือกอยากให้มันสุขเลือกหนีความทุกขนะ์ไม่คิดเกิดตัณหาอยากสุข ไม่อยากทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่เห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไม่เห็นความจริงเราไปเห็นว่าร่างกายนี้มีทุกข์บ้างสุขบ้างใจก็เกิดตัณหาเนี่ยเพราะมียวิชาไม่รู้ความจริงไม่รู้ในกองทุกข์ก็เลยเกิดตัณหาอยากให้ร่างกายมีความสุขตลอดไป อยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ไม่ความไม่รู้ว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยก็เลยเกิดความอยากอาวิชชาก็เลยทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดอยากอยากมีความสุขมากๆนานๆนิรันดรได้ยิ่งดีอยากไม่ทุกข์ ทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นเนี่ยความดิ้นรนของจิตจะเกิดขึ้นจิตจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วจิตมันจะดิ้นไปตามแรงอยากงั้นมีตันหาตันหาเป็นผู้สร้างภพภพคือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตงั้นเราภาวนานะเมื่อไร่เราเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วน เห็นความจริงของจิตใจว่าจิตใจเป็นทุกข์ล้วนๆไปเห็นกายก่อนกายเป็นของหยาบดูได้ง่ายกว่าเห็นได้ง่ายกว่าจิตมั้นเวลาพอหนาเนี่ยมันจะผ่านกายก่อนเห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่เกิดความอยากให้กายไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความดิ้นรนองใจก็ไม่เกิด เมื่อความดิ้นรนของใจคือพบไม่มีการที่จิตจะอย่างลงสู่ความเกิดมันก็ไม่มีเกิดอะไรเกิดความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาเกิดตัวเราของเราขึ้นมาแล้วก็ดินรนไปด้วยความทุกข์เคยเห็นปลามันอยู่บนบกไหม ปลามันบางทีมันตกอยู่บนบกหรือบางทีฝนตกนะมันไถ่ไถ่ตัวขึ้นมาตามน้ามาแล้วอยู่ๆน้ามันแห้งลงไปอย่างน้ําแถวนี้ลงจากภูเขาลงประเดียวเด<ม>ียวก็แห้งแล้วปลาอุตสาไถ่ไถ่ไถทวนน้ามานั้นปลาก็แห้งน้ําแห้งแล้วปลาก็ลำบากนอนดิ้นกระด๊กกระแด๊กกระดกกระแด๊กจิตก็เหมือนกันได้ จิตมันไม่มีความสุขมันดิ้นไปเรื่อยๆร่างกายเราก็ไม่มีความสุขมันถึงดิ้นไปเรื่อยๆใครเห็นร่างกายดิ้นไปเรื่อยๆบ้างดูเป็นไหมนั่งนิ่งๆไม่กระดุกระดิกได้ไหมไม่ได้มันทุกข์มันทุกข์มันต้องขยับเนี่ยมันดิ้นนะมันดิ้นหนีความทุกข์ไปเหมือนปลาที่ตกอยู่บนบกัะดิ้นกระเดากระเดวไปเรื่อย มันร่างกายนี้จริงๆแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ขอให้เรามีสติรู้ลงมาในกายเราจะเห็นนมันทุกข์มากบ้างน้อยบ้างอย่างตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ๆมันทุกข์น้อยเรารู้สึกตอนนี้สุขนั่งนิ่งๆนานๆมันเมื่อยแล้วเมื่อยทุรนทุรายขึ้มาเพราะความเมื่อยเกิดเนี่ยมันทุกข์มันเกิดชัดเจนขึ้นมาแล้วตัณหาก็เกิดอยากอยากหายเมื่อย ก็เกิดความปรุงแต่งทำไงจะหายเมื่อยต้องกระดุกกระดิกแก้เมื่อยนะจิตมันทำงานมันปรุงแต่งต่อกันมาเป็นทอดทอดทอดเนี่ยที่เรามาพนานะเพื่อให้เห็นทุกหเห็นว่าขันห้ามันเป็นตัวทุกขย่อลงมาก็คือรูปนามกายใจนี่แหละตราบใดที่เรายังไม่เห็น ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยความอยากให้กายเป็นสุขก็ยังมีอยู่ความอยากให้กายไม่ทุกข์ก็ยังมีอยู่ความดิ้นรนของจิตก็ยังมีอยู่ภาระของจิตซึ่งเป็นตัวทุกข์ของจิตนะมันก็มีอยู่ตราบใดที่เรายังไม่เห็นความจริงของจิตว่าจิตคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อย เราก็อยากให้จิตมีความสุขอยากให้จิตไม่ทุกข์ทุกวันนี้เราไปสารวจตัวเองทำไมเราต้องไปดูหนังฟังเพลงทำไมต้องไปหาของอร่อยกินทำไมต้องเมาส์กับเพื่อนนะไม่มีใครคุยด้วยก็อุตส่าห์ส่งไลน์ไปคุยแล้วก็รอเมื่อไหร่เขาจะอ่านเมื่อไหร่เขาจะตอบมันะมเป็นภาระของใจทั้งนั้นเลย ที่เราต้องดิ้นรนต่างๆมากมายเนะี่ยเพื่อดิ้นรนหาความสุขให้กับจิตใจดิ้นรนหนีความทุกข์อย่างคลุ้มใจก็อยากจะไปคุยกับคนแก้คลุ้มไปปรับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยบางทีคลุ้มมากๆนะไปปรับทุกข์เพื่อนก็ช่วยเราไม่ได้ใครเคยอกหกักบ้างมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดู มันน่าจะมีมากกว่านี้นะชีวิตนี้มันทําไมไม่รู้จักอกหักนไม่รู้จักอกหักเนี่ยบรรลุมรผลยากนะมันไม่ค่อยเห็นทุกข์เวลาอกหักนะเพื่อนเนี่ยมาปลอบเราทําใจซะเถอนะะทําใจซะเถอะไม่เป็นไรหรอกถามว่าหายไหมหายทุกข์ไหมไม่หายบางทีให้คนที่มาปลอบเนี่ยมันมาเพิ่มแรงกดดันเรานะ เลิกคบกับเขาไปเลยนะที่เรารักอยู่เราทุกข์อยู่เพราะเรายังไม่เลิกรักนะเพื่อนก็นมาแนะนำมนเลิกคบกับมันไปเลยอไรเนี้ยนะยิ่งกดดันมากขึ้นนะยิ่งทุกข์เยอขึ้นเมื่อนบางคนเนะี่ยในเที่ยวปรับทุกข์กับเพื่อนนะยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าอีกนะหมอดูเลยหากินง่ายนะหมอดูจะคอยปลอบปลอบปลอเราก็สบายใจให้ตังคนะ นี่เรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าจิตมันคือตัวทุกข์เราก็อยากให้มันมีความสุขหรืออยากไม่ให้มันทุกข์เราก็ดิ้นรนต่างๆนาน า, น า, นาเช่นมันกลุ้มใจขึ้นมาก็ไปกินเหล้าหรือไปเที่ยวหรือไปคุยกับเพื่อนไปปรับทุกข์กับคนโน้นคนนี้คนที่เราไปปรับทุกข์ด้วยนะ เขาก็ทุกนะตัวเขาเองก็ทุกเยอะอยู่แล้วยังมาฟังเรื่องทุกของเราอีกน่าสงสารจริงๆเลยไอ้คนที่ทุกมันก็น่าสงสารอยู่แล้วแ่ะแต่คนที่เราไปปรับทุกข์ด้วยน่าสงสารยิ่งกว่าเพราะไม่ได้ทำอะไรหรืออยู่ๆก็เอาความทุกข์มาทุ่มใส่พวกพระเนี่ยจะเจอเยอะเวลาโยามกลุ่มใจขึ้นมาจะมาปรับทุกข์กับพระ ราพะองค์ท่านก็ใจดีนะโยมมาปรับทุกข์อกหักแล้วก็สงสารปลอบไปปลอบมาเลยศึกไปอยู่ด้วยกันเลยนะแก อ, อกหักให้โยมสำเร็จแล้วนะเนี่ยวันวุ่นวายเราเรียนธรรมะเราเรียนให้มันถึงแก่นเรียนถึงแก่นคือเรียนให้มันถึงทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ทำหรอก ลงมาเรียนให้รู้รู้ลงมาให้ได้กายนี้คือตัวทุกข์ล้ว น, วนมีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยมันจะไม่เกิดตัณหาอยากสุขอยากไม่ทุกขนะ์เรียนรู้ลงมาจิตใจเนี้ยเดี๋ยวมันมีอารมณ์อย่างนั้นเดี๋ยวมีอารมณ์อย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ทำไมมันต้องเริ้นรนอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวมันทุกข์แต่เรายังไม่เห็นเพราะะนั้น ถ, ถ้าเราเห็นนะพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เห็นความจริงร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์นี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์รู้ว่ารูปนามขันห้าคือตัวทุกข์รูปนามเป็นคำใหญ่นะ รูปธรรมนามธรรมแยกย่อยออกไปถ้าแยกแบบนามธรรมมากหน่อยก็แยกเป็นขันธห้ามีรูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อันนี้เป็นตัวนามธรรมนี้บางคนชอบแยกรูปธรรมมากกว่านามธรรมก็แยกเป็นอายตนะหกเนี้ยไอ้ตัวรูปนามเนี้ยแยกในมุมของขันธ์ห้าก็ได้ แยกในมุมของอายตนะหกก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นส่วนของรูปธรรมใจที่เป็นส่วนของนามธรรมเนี่ยค่อยๆยแยกแย ก, แยกไปแยกเป็นขันห้าก็ได้แยกเป็นอายตนะหกก็ได้แล้วแต่ถนัดพอแยกแล้วเราจะค่อยๆดูรูปมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงเวทนามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงความรู้สึกสุขทุกข์อะมันเที่ยงไหม สัญญาความจำได้หมายรู้มันเชี่ยงไหมบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้หลวงพ่อเคยสัญญาดับแบบซึ่งหน้าเลยนะไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์นะแต่มันเป็ น, นกลไกที่จิตมันแสดงให้ดูตอนนั้นทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะตอนเย็นมาลงเรือด่วนที่เทเวศมาขึ้นที่ท่ทาน้ำนนทบุรี ออกขึ้นจากท่าน้ํานะเดินมาไม่กี่ก้าวเลยจิตรวมพึบลงไปแล้วพอมันถอนขึ้นมาเนี่ยเราคือใครก็ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราจะไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีความจําอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวเลยนะแต่หลวงพ่อไม่ได้มีความตกใจนะถ้าพวกเราเจอเจอสภาวะเงี่ยจะตกใจหลวงพ่อไม่ตกใจ ไม่รู้จะไปไหนเราก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละเรารู้อย่างหนึ่งว่าสภาวะนี้ก็ไม่เชี่ยงเหมือนกันปัญญามันรู้ลงไปวันนี้สัญญามันดับให้ดูนะสัญญาดูยากนะสังขารดับยังดูง่ายอย่างสุขสุขทุกข์นี่ยก็อยู่ในกลุ่มของสังขตะนะแตเมื่อเขาเรียกอยู่ในกลุ่มเวทนาขันดูง่ายเวทนาเกิดแล้วดับเป็นนมามธรรมก็จริงนะมันเกิดดับ นามธรรมไม่ได้มีแต่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวไม่ใช่สุขทุกข์ดีช่วยอย่างเดียวมีสุขทุกข์เนี่ยส่วนของเวทนาดีช่วยเนี่ยส่วนของสังขารมีส่วนของความจำได้หมายรู้อยู่ๆดับไปเฉยเลยไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ตกใจยืนเฉยๆเรารู้อย่างหนึ่งว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยเกิดได้ก็ดับได้ไม่น่าตกใจหรอก ก็ยืนนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเนื้อสัญญามก็ผุดขึ้นมาอ๋อเรากําลังจะกลับบ้านแต่ยังผุดไม่เต็มที่นะบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้เมื่อบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้ยังไม่เดินเดี๋ยวเดินไปคนละทางต้องเดินกลับไกลก็รู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผุดความจําได้ขึ้นมาความหมายรู้ขึ้นมางั้นสัญญาเองเขาเกิดดับได้นะแต่ดูยากนิดนึงนะ ถ้าใจนทรงสมาธิลึกๆลงไปแนละ้วมันล้าสัญญาลงไปมันเหมือนไม่มีสัญญาแต่มันมีสัญญาอยู่นิดหนึ่งนะี่ใจค่อยๆภาวนาเนี่ยค่อยรู้ค่อยเห็นใตตัวเวทนากับตัวสังขารดูง่ายอย่างความสุขความทุกข์อะไรเงี้ยดูง่ายจะตายไปขณะนี้สุขหรือขณะนี้ทุกข์ดูไม่ยากหรอกหรือกุศลอกุศลเน่ส่สวนของสังขารขัน ใจเป็นบุญหรือใจเป็นบาปอะไรเงี้ยดูไม่ยากหรอกใจกําลังโกรธเงี้ยมันก็มีกิเลสละมีโทสะใจกํา ล, งลังโลบอยากโ น, น้นอยากนี้นก็โลบลนะใจมันลืมเนื้อลืมตัวใจมันหลงฟุ้งซ่านไปนี่ตัวหลงไม่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้สภาวะทั้งหลายไปสุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้นะเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้ โลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้หดหูด่เป็นอย่างนี้หัดรู้สภาวะเรื่อยๆแล้วต่อไปสติเกิดพอสภาวะเกิดสติก็เกิดเลยสภาวะที่เป็นอกุศลหรือเป็นผลของอกุศลจะดับทันทีแต่สภาวะที่เป็นกุศลเนี่ยพอเรามีสติแนละไม่จำเป็นต้องดับทันที อย่างใจเราอยากฟังธรรมใจเราอยากปฏิบัติเนี้ยบางทีมันอยากได้เป็นหลายชั่วโมงนี้ก็ได้แต่ถ้าใจขี้เกียจเนี้ยเรามีสติรู้ว่าขี้เกียจปับ๊บมันจะดับทันทีเลยความขี้เกียจเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ลงมาในกายค่อยๆรู้ลงมาในใจนถึงวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงกายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกขล้วนๆหลวงพ่อภาวนานะตอนนั้นเพิงบวช ในพัรษาที่สามอยู่กับพระจาร น, น้าพระจน้าเป็นนักปลูกต้นไม้อยู่กันสามคนกับหมาตัวหนึ่งหมาไม่ช่วยรถต้นไม้หรอกนะนานๆไปฉีใส่ต้นไม้จริงเราสามคนเอารถต้นไม้เหนื่อยมากเลยแดดเปเรี้ยงเปเรี่ยงเลรถต้นไม้กันเช้าก็สอนโยมโยมไปแล้ว ได้พักช่วงหนึ่งนะเหนื่อยตอนนั้นสอนโยมนะจะเหนื่อยมากเลยเพราะยังสอนด้วยเจอความโลภคืออยากให้โยมรู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่ออุเบกขาแล้วนะงั้นไม่ค่อยเหนื่อยหรอกสอนไปแล้วโยมรู้เรื่องก็บุญของโยมโยมไม่รู้เรื่องก็อุเบกขาวันนี้ยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังแล้วฟังอีกนะภาวนาดูของจริงไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้เรื่องเองแหละ ไม่ใช่ทุกคนจะรู้เรื่องได้ในการฟังครั้งเดียวหรอกบางคนฟังครั้งเดียวรู้เรื่องบางคนฟังทั้งปีเลยไม่รู้เรื่องนานหลายหลายปีสิบปียีสิบปีบปอะไรเงี้ยค่อยๆกระเตื้องกระเตื้องขึ้นมาแต่ละคนมันช้าเร็วไม่เหมือนกันนะอินซีมแกอ่อนไม่เหมือนกันเนี่ยไปสอนโยมตอนเช้านะใจก็อยากให้เขารู้เรื่องเอาพลังของเราเนี่ยเข้าไปช่วยเขานะช่วยให้เขามองเห็นนะ วิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกพอเราหยุดช่วยเขาก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะทีแรกเราอยากให้เขารู้เรื่องแนละสงสารเขาอเงี้ยใช้พลังของใจเรากระตุ้นความรู้สึกของเขาเหนื่อยแล้วเป็นความเหนื่อยเปล่าหาสาระแก่นสารไม่ได้พอเหนืนะ่อยแล้วไม่รู้จะทาไงนะตอกงวันหมดแรงลงไปนอน พอใบสองโงกว่าๆจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเตรียมออกไปลดต้นไม้แล้วก็คงว่ามันลุกไม่ขึ้นจิตมันตื่นนะแต่ร่างกายมันไม่ยอมกระดิกสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาไปอาบน้ำไปลถต้นไม้มันไม่ยอมกระดุกระดิกเลยดีว่ามันยังหายใจอยู่นะหลวอพ่าก็ค่อยๆขยับ เท้านะขยับนิ้วเท้าเนี่ยเหยียดนิ้วยังค่อยๆขยับทีละนิ้วทีละนิ้วนะยังกับคนเป็นอมพาสแล้วก็หัดเอ็กซเซอร์ไซส์กันนะ่ะค่อยๆขัดขยับขยับขยับพอมันขยับนิ้วได้แนละ้วเปลี่ยนมาขยับเท้าเียโยกอย่างเงี้ยอยู่ๆนะจิตมันก็รวมเลยนะมันเห็นโอ้ยกายนี้มันทุกข์นะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจ การนี้มันทุกข์จริงๆเนี่ยก็เห็นเรากายมันทุกข์นะสบายต่อไปกายมันเป็นไงก็เรื่องของกายแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องของใจแต่นแม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลร่างกายมีความทุกข์มีความทุกข์เยอะมากนะเวลาไปอยู่โรงพยาบาลอย่างหมอบางคนเนี่ยห่วงเรามากอยากรู้อะไรละเอียดยิบเลยสั่งเจาะน้ําตาล วันหนึ่งห้าครั้งจอมันทุกนิ้วเลยนะแล้วยังทําท่าจะเจาะอีกมือนึ่งนะอยากเจาะอีกแค่นี้ก็พอแล้วนะหรือตอนเรานอนหลับกลางคืนนะพยาบาลก็เข้ามาขอวัดไข้หน่อยขอวัดความดันหน่อยเราอย่างนึกเลยความดันกูของขึ้นตอนนี้แหละ <c oughs> กำลังหลับๆนะมันเรียกให้ลุกมาเราวัดความดันนะ นันมันทุกข์เยอะนะเดี๋ยวก็เจาะโนอนเดี๋ยวก็ผ่านี่เดี๋ยวก็ตรวจนั่นไปเรื่อยๆเราเห็นร่างกายมันทุกข์แต่ใจมันรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาที่กายนี้จะเป็นอย่างนี้แหละบางทีก็มีพยาบาลมีอะไรมาถามหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลทั้งหลายเดือนแล้วเบื่อไหมบอกว่าไม่เบื่อหรอกเบื่อมเป็นโทสนะเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็แล้วไป นี่นเราพยายามฝึกนะจนกรทั่งเรารู้เลยกายนี้ยังไงก็ทุกเวลาเราเจ็บหนักนะมันก็ทุกนะจนกระทั่งถึงตายมันทุกสุดขีดเมื่อตายเองบางทีไปผนะ่าผ่าแล้วก็หมอเขาก็ทำโนันทํานี่ไปเรื่อยนะหลวงพ่อก็นอนนิ่งนิ่งเสร็จแล้วหมอก็เกิดสงสัยหลวงพ่อหลับเปล่าเนี่ยบอกไม่หลับหรอก หมอถามว่าทำไมหลวงพ่อนิ่งแล้วเกินนะ่ะบอกว่าจะให้หลวงพ่อดิ้นรนนะดิ้นเร่าเล่ า, ล า, ลาโอ้ยโอยโอยอย่างนั้นเลยหรอนะแเราเคยฝึกมาดีนะร่านงะกายมันเจ็บมันส่วนของกายใจมันไม่ได้เจ็บด้วยเนะีนะ่ยฝึกไว้นะวันหนึ่งเราอาจจะได้มีบุญได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้เจ็บโน่นเจ็บนี่นะสติปัญญามันเกิดนะนะ คนไหนไม่เคยโอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยมีความเจ็บป่วยอะไรเลยเนี่ยไม่รู้บุญหรือบาปไม่รู้เวลาดูทุกไม่รู้จะดูยังไงเลยมันสบายไปซะทุกสิ่งทุกอย่างงั้นเวลาเรามีความทุกอย่าโกรธมันนะอย่าเสียใจทุกก็ทุกทุกแหละเป็นครูของเราทุกมันอยู่ที่ไหนทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจ อย่างช่วงโควิดนี่ยหมเขาไม่ให้ออกจากบ้านร่างกายทุกไหมร่างกายก็ไม่ทุกเท่าไหร่หรอ ก, ก็ยังมีข้าวกินอยู่ใช่ไหมแต่ใจมันทุกไหมมันไม่ได้ออกไปเที่ยวมันก็หิวยากออกไปเที่ยวข้างนอกหิวอารมณ์ใจก็มีแต่ความทุกข์นะเคร่งเครียดหลวงพ่อเคยดูที่เขาถ่ายรูปมานะพวกที่อยู่สเตทควอ r รตีนั้น อยู่โรงแรมสบายๆนะสบายออกนะบางคนก็มีจิตสำนึกดีนะอุตส่าห์โพสรูปโพสอะไรแล้วก็บอกเนี่ยรัฐบาลดูแลดีนะอยู่ก็ไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนนะ่ะมันไม่ถูกใจสักอย่างไอ้นี่ก็ไม่อร่อยอาหารนี้ก็จืดอาหารนี้ก็เย็นเลยนะไม่มีอะไรที่พอใจสักอย่างเลย คนสองคนนี้ถูกขังสิบสี่วันเท่ากันอยู่โรงแรมเดียวกั น, นห้องเหมือนกันเปียบเลยแต่สองคนนี้ทำไมสุขทุกข์ไม่เท่ากันเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคนไหนที่ฝึ ก, นกจนจิตมันยอมรับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ได้มันจะไม่ทุกข์คนไหนที่มันยอมรับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้มันก็ทุกข์ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนเราให้มาเรียนรู้ทุกข์ เรียนรู้ความจริงกายนี้มันคือตัวทุกข์ใจนี้มันคือตัวทุกข์พอเรียนรู้ความจริงแล้วมันก็หมดความอยากพอหมดความอยากใจก็หมดความดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนใจนั้นก็หมดความทุกข์นี่เราค่อยๆฝึกตัวเราไปทุกข์มันก็จะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยจิตใจก็มีความสุขมากขึ้นมาขึ้นแต่สุขอย่างนี้เราไม่ติดเรามันไม่เหมือนสุขที่เราเคยเห็น สุขเวทนาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือทุกข์น้อยแต่สุขของธรรมเนี่ยมันสุขจริงๆมันสุขมันเย็นมันช่ำมันชื่นมันร่มเย็นอยู่ในใจเรามันไม่หิวมันไม่ดิ้นเะฉะนั้นใจที่มีธรรมะคุ้มครองนะมีสติมีปัญญามีศีลเนี่ยคุ้มครองเรามันก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้น ถ้าใจมันถึงความหลุดพ้นนะใจมันก็ ม, นมีความสุขถึงขีดสุดเริ่มจากหลุดพ้นจากกายไม่ยึดถือกายต่อไปก็ไม่ยึดถือในนามนธรรมนามนธรรมมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นจิตตสังขารทั้งหลายส่วนหนึ่งคือตัวจิตตัวจิตนั้นเป็นตัวรูปตัวจิตตสังขารทั้งหลายนะั้น เป็นรูปละเอียดอย่างราคาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาไหมราคาก็มีรูปมีรูปร่างของมันเราถึงแยกได้ว่าอันนี้คือราคาโทสะมีรูปร่างของมันไหมโทสะใครเคยเห็นโทสะบ้างมันพุ่งขึ้นมาม่ไหมพุ่งเ้าแรงมันขึ้นหัวเลยนีน่มันก็มีรูปร่างหน้าตาของมันที่เราสังเกตเห็นได้ เนี่ยพอเราภานาแต่หัขั้นสุดท้ายนะตัวรูปประราคะตัวอรูปประราคาก็าดับพร้อมกันไนป ห, หมดความยึดถือทั้งจิตทั้งเจตสิกไปพร้อมๆกันเลยอันนี้อาจจะไม่ตรงตำลานะฟังประดับความรู้ไว้ก็พอตำ ล, าล่าเขาพูดถึงรูปประราคะได้แก่รูปฌานอรูปประราคาได้แก่อรูปฌานอย่างเงี้ย แล้ยังตอบโจทย์ไม่ได้ว่าทำไมบราารลุพระอรหันต์แล้วทั้งรูปราคารูปราคาดับพร้อมกันแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวรูปราคะคือความติดอกติดใจในอารมณ์ทั้งหลายของจิตตัวรูปราคะรูปราคะเป็นความติดอกติดใจในตัวจิตเพราะปล่อยวางจิตทีเดียวนะปล่อยวางทุกตัวหมดเลย นั้นขาดไปพร้อมๆกันรูปราคารูปราคาก็ขาดพร้อมกันเช่นเดียวกับกามราคะคามราคะและปฏิฆะขาดพร้อมกันขาดพร้อมกันตอนเป็นพระนาคารูปราคารูปราคะนั้นขาดพร้อมกันตอนเป็นพระหันเนี่ยธรรมะนะยิ่งเรียนโอ้ยมันประนิดนะประีิดอ่านนังสือเอาข้องั้นงั้นตื้น อ่านแล้วมันไม่ถึงอกถึงใจเนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรืเร่อยๆเราจะรู้ว่านามากายก็มีไม่ใช่ธรรมกายนะนามากายกายของนามธรรมตัวเวทนาก็เป็นกายของนามธรรมอย่าสุขมีรูปร่างของมันไหมมันก็มีรูปร่างที่เราสังเกตได้มีลักษณะอาการที่เราสังเกตได้ ทกุก็มีอาการที่เราสังเกตได้โลภโกรดลงก็มีอาการที่เราสังเกตได้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นนามากายเท่านั้นนะงั้นเวลาใจมันไม่ยึดในตัวจิตมันก็ไม่ยึดตัวนามากายไม่ยึดนามทั้งหมดสนุกนะการเรียกรรมฐานนะภาวนาทุกวันทุกวันของไม่เคยเห็นก็ได้เห็น ของไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของไม่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจของไม่เคยปล่อยวางก็ได้ปล่อยวางนะั้วใจก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฟังหลวงพ่อพูดอาจจะฟังแล้วรู้สึกยากแต่จริงๆไม่ยากหลวงพ่อสอนวันนี้ก็คือให้รู้ทุกข์ก็คือคอยรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆนะร่างกายหายใจก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็รู้รบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเองว่าร่างกายมันทุกข์ จิตใจก็รู้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ดูไปเรื่อยๆสุดท้ายก็รู้เองนามธรรมทั้งหลายนะทั้งจิตทั้งเจตสิงสุดท้ายก็ทุกข์ทั้งหมดน่ะไม่มีสาระแก่นสารใจก็หมดความยึดถือเข้าสู่ความพ้นทุกข์นะดับสนิทแห่งทุกข์ถึงพระนิพพานคนจํำนวนมากนะ ทำบุญก็นิพพานปัจโยโหโตุให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานทำอะไรก็อ้างให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานแต่ไม่เคยเจริญสติไม่มีนิพพานออกใน้แต่ขอลองเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆสิเราจะรู้ว่านิพพานมีจริงการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปนะเรียกว่าเราทำสติปัฏฐาน นะพระเจ้าถึงบอกว่าถ้ายังทำสติปัฏฐานอยู่นะยังมีผู้รู้ธรรมอยูนะ่ผู้รู้ธรรมไม่ใช่ใครก็พวกเรานี่แหละที่ทำสติปัฏฐานแหละนะมีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจฝึกให้มากๆไม่ใช่ขาดสติลืมกายขาดสติลืมใจอย่างนี้ทั้งวันกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่ได้บารล้อะไรหรอกนี้จิตเรามันมีธรรมชาติจะหลงจะลืมห้ามมันก็ไม่ได้นะ เราก็ต้องมีเครื่องช่วยหาเครื่องอยู่ให้มันอยู่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะดูท้องพองดูท้องยุบนะเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายขยับเขยื่อนขยับไปขยับมารู้สึกไปเรื่อยๆรรู้สึกไปเรื่อยๆรืยเดี๋ยววานหนึ่งปัญญามันก็เกิดนะแต่อย่ารู้สึกแล้วเพียงให้จิตนิ่งนะ เนั้นไม่เกิดอะไรงี่เง่าเหมือนกันเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องปล่อยให้กายมันทางานปล่อยให้จิตมันทำงานมีสติตามระลึกรู้ ม, มันไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้ความจริงกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็เห็นทำเมื่อนั้นนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือถึงที่สุดแห่งทุกข์นลยสิ้นโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกับนามรูปธรรมนามธรรม หลวงปู่เทศท่านก็สอนนะสิ้นโลกเหลือธรรมไม่ใช่สิ้นโลกว่าสิ้นธรรมนะสิ้นโลกแล้วเหลือธรรมเป็นอย่างนั้นจริงๆงานพวกเราเอากัรบ้านไปทานะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆอสมควรแก่เวลาอันนี้ส่งกันบ้านหมายเลขสองครับ เมื่อปลายปีที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านว่าไปเดินเยอะๆแล้วสังเกตจิตตัวเองตอนนี้รู้ว่าตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านโธสะเยอะขี้หงุดหงิดคำถามคือหลวงพ่อให้ไปเดินต่อหรือต้องเพิ่มคำบริกรรมใหม่คะกราบขอบพระคุณค่ะจะ <c oughs> ไปเพิ่มมันทําไมล่ะที่เขาว่าต้องเพิ่มบริกรรมลงไปเพราะสติไม่พอถ้าเราเดินแล้วเราเห็น ทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะก็ดีแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆเมื่อก่อนหลวงพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาเป็นเมียของคนที่ทํางานด้วยกันคนเนี้ทำกรรมฐานอะไรไม่ได้เลยเดินได้อย่างเดียวถ้านั่งก็หลับถ้าทําอย่างอื่นก็ไม่ได้นะหลวงพ่อก็เขี้ยวเขียนให้เดินด้วยเลยการข้ามการขืนนบางทีโทรไปเตือนเดินดนยิยางไปเดินซนะ คนนี้เดินจนเท้าเนี่ยบวมใส่รองเท้าไม่ได้เลยนะส้นสูงส้น ส, สูงอะไรไม่ได้ใส่เลยผู้หญิงเขาก็เดินไปด้วยนะเขาเดินจนดีของเขาอะไรหรือรุ่นหลังๆเรามาก็มีทํากรรมฐานอื่นไม่ได้หลับเพราะเหนื่อยเหลือเกินวันๆหนึ่งกลางวันเนี้มันดูธุรกิจนะเป็นเฮดของบริษัทงานหนัก กลับบ้านก็ทำหน้าที่ของแม่บ้านอีกดูแลครอบครัวอาหารการกินเสือ้อผ้าตัวบ้านดูดูแลหมดเลยมีเด็กช่วยงานนะแต่นี้ใสละเอียดก็ดูหมดเลย่าจะว่างงานเนี่ยห้าทุ่มทุกคนเข้านอนหมดแล้วตอนนี้เกียรว่างงานว่างงานถ้านั่งสมาธิเขาหลับเนี่ยเหนื่อยเต็มทีมาตั้งแต่เช้ามืดล้ว เดินนะเดินไปเรื่อยรู้สึกตัวเดินไปเห็นกายนี้มันเดินใจมันเป็นคนดูเดินไปเรื่อยๆถึงตีหนึ่งตีสองอะไรนะั่นแะถึงได้นอนรนะตีสามตีสี่อะไรก็ลุกขึ้นเดินอีกแล้วนะี่เขาสู้อย่างนี้นะคนที่เขาได้ดิบได้ดีนะไม่ใช่กินกินนอนนแะล้วันรู้นะต้องอดทน องหนูเดินได้เวาลากี่ชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงนะนก็เก่งเหมือนกันก็พัฒนาของเราไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยทุกก้าวที่เดินเนี่ยคือการปฏิบัติสมมตเราจะเดินไปขึ้นรถเมล์นี่ก็คือการเดินจงกรมเราจะไปเดินซื้อของตามห้างจําเป็นต้องไปซื้อของนี่ก็คือการเดินจงกรมนะแล้วเราจะรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆของเราเลย ตกเวลาตกค่ำอะไรเงี้ยก็เดินตามรูปแบบที่เคยเดินระหว่างวันทุกก้าวที่เดินก็มีสติฝึกอย่างนี้อดทนไปคนที่เขาได้ดีนะเขาก็อดทนเอาไม่ใช่อยู่ๆเขาได้ดีเองหรอกเวลาสอนหลวงพ่อสารทุกคนเหมือนๆกันเนี่ยสอนพรำๆกันอย่างนี้คนเอาจริงอ่ะมันก็ได้ดี คนที่ฟังเล่นเดี๋ยวก็เลิกแล้วพ อ, อหลวงพ่อบอกเลิกก็เมาคนก็จุยกระจายเตรียมไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยอีกนานทำตัวเองไม่มีใครก็ทำหรอกอ่ะต่อไปหมายเลขสิบหกครับส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูแต่ละขันทำงาน แต่หนูรู้สึกว่าหนูดูด้วยใจที่สบายมากขึ้นเข้าใจตนเองมากขึ้นเห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นทุกสั้นลงแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังกระเพื่อมขึ้นลงอยู่อยากาให้หลวงพ่อชี้นะให้ลูกด้วยค่ะอถูกแล้วเยันจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงได้ยังไงเราไม่ใช่พระละหาันตราบใดที่ยังไม่จบจิตนะจิตที่ยังกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตลอดแหละ เป็นธรรมดาอย่าไปเกลียดมันมันฟูบ้างแฟบบ้างมีสติตามรู้ไปเดี๋ยวปัญญามันก็แหลมคมรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตก็เพิ่มขึ้นเกิดแล้วก็ดับจิตก็เพิ่มลงเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับนะฝึกอย่างนี้อีกนะฝึกไปอีกทำไปหม อ, อยเลขยี่สิบสี่ครับ สงกันบ้านในรอบสามปีทุกวันสวดบนเช้าเย็นเวลาสามสิบนาทีมไม่ถนัดนั่งสมาธิ<ม>แต่ใช้คำบริกรรมพุทโธในใจเป็นฐาน<ม>หลวงพ่อเคยบอกว่าแยกธาตุขันได้แล้ว<ม>ให้ดูธาตุขันทำงาน<ม>เห็นทุกข์มากขึ้น<ม>และกิเลสบ่อยขึ้น<ม>แต่ใจยังไม่เป็นกลางยังมีความฟุ้งอยู่คำถามคือปฏิบัติมานี่มาถูกทางไหมคะแล้วควรปฏิบัติเพิ่มอย่างไรถูกแล้วละ่ะทอีก ทำถูกแล้วก็ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆไปนะแต่ระมัดระวังอนหนึ่งก็คือการเพ่งจิตให้นิ่งการควบคุมจิตให้สงบเรียบร้อยอย่างขนาดเนี้ยเราเพ่งจิตไปแล้วนะจิตจะนิ่งๆรู้สึกไหมเวลาเจอหลวงพ่อแล้วมันนิ่งมันก็เรื่องธรรมดานะมัน่ากลัวแต่ว่าเวลาอยู่ของเราคนเดียวอย่าไปเพ่งแบบนี้ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติ ต, ตามรู้ไปนะใช้ได้แล้วล่ะดีไปฝีก นี่มีจับฉลากใช่ไหมรู้สึกมีแต่ผู้หญิงจับได้ผู้ชายจับไม่เป็นไงมีแต่ผู้หญิงนั่นนั่นเลยอ่าหเลขยี่สิบเจ็ดครับอ๋อมีผู้ชายแล้วปฏิบัติตามคำสอนหลวงพ่อประมาณสามปีเออทำถูกแล้วสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมเช้าเย็นก่อนนอนครั้งละประมาณหนึ่งชั่วโมงเห็นจิตเคลื่อนทางหูชัด เห็นจิตถูกบีบคั้นกลางหน้าอกอืมเห็นการหมุนหมุนอยู่กลางอกอืมเห็นจิตตื่นอืมีสองคำถามนะครับคำถามแรกขอกรรมฐานในการแก้กามราคะครับกรมราคะนะมันก็มีเครื่องมือในการต่อสู้หลายตัวอันแรกก็คือวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราเห็นกรมราคะเกิดขึ้นเราสักว่ารู้ว่าเห็นก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปนะอันนี้อย่างหนึ่งนะ อีกอย่างหนึง่งใช้สมถะกรรมฐานนะเวลากรรมราคะเกิดเนี่ยเราพิจารณาปฏิกูณาสุภาอะไรไปพอนะเราเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมีแต่ของสโปรกโสโครกร่างกายของคนที่เรามีราคะด้วยเต็ไมไปด้วยความโสโปรกโสโครกมันก็หายได้แต่ถ้าทำสมถะก็ไม่สำเร็จทำวิปัสสนาก็ไม่สำเร็ จ, เ ร, จเราก็มีท่าไม้ตายนะไม้ตายก็คือ ยังไงราคาก็ต้องเกิดยังหนุ่มอยู่นะกรารราคามันยังมีอยูนะ่เป็นธรรมชาติแต่พอกรารราคามันทำงานมันจะกระตุ้นให้เราคิดไปในกามมันจะกระตุ้นให้เกิดการร ม, มาวิตกคือการตรึกในกามเราอย่าไปคิดต่อเวลาความรู้สึกทางเพศผุดขึ้นมาเนี้ยแค่รู้แค่เห็นแต่มันผุดขึ้นมาแล้วมันจะกระตุ้นให้เราคิดนึกออกไหมตรงนี้ดูออกไหม จะกระตุ้นให้เราไปคิดในเรื่องกามยิ่งเราไปคิดนะพลังของกามราคะก็จะยิ่งแรงขึ้นคล้ายๆได้อาหารดีงั้นเราอย่าให้อาหารมันมันผุดขึ้นมาร่างกายยังมีฮอร์โมนเพศอยู่มันก็ผุดขึ้นมาเป็นธรรมชาติมันผุดขึ้นมาแล้วมันจะกระตุ้นให้เราไปคิดลามกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่คิดเรารู้ทันว่าใจกาลังอยากคิดดูตรงเนี้ยถ้าเราสามารถตัดตรง กามาวิตกได้นะการประค่าจะสลายไปหมดลิ้นหมดเดชไปเลยตรงนี้หลวงพ่อสอนพระในวัดด้วยซ้ําไปนเะพราะพระเนี่ยเวลากรามเกิดขึ้นมาเนี่ยนะทรมานมากเลยแล้วพระดีเนี่ยทรมานมากถ้าพระไม่ดีก็งั้นงั้แหละนะแต่พระดีเนี่ยทุกข์มากเวลากรามมันเกิดบางทีแทบจะหัวโขกข้างฝาอะไรสู้มันไม่ไหวอย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกไม่ต้องไปกลัวมัน อย่าไปคิดต่อเพราะนั้นแหละพอเราไม่ให้อาหารคือไม่คิดในกามมันก็ค่อยๆสลายตัวไปอ่อนกำลังลงแล้วต่อไปพอพุทธขึ้นมาเราดูปุ๊บก็ดับแล้วใช้สมถาใช้วิปัสสนาสู้ไปถ้าสู้ไม่ได้ก็ตัดมันที่กามาวิตกนะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีการมาราคะหรือไม่ เพราะว่ท่เจ้าตรัสว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกเนี่เราดูตรงกรรมวิตกนี่แหละแล้วกรมราคะก็เรื่องจิ๊บจ้อยนะกระจ้าคําถามที่สองครับกรรมฐานเคลื่อนไหวเหมาะกับจริตของตัวเองหรือไม่ครับขอการบ้านต่อครับที่ทําอยู่ตอนนี้แหละถูกแล้วนะทํายังไงก็ทําอย่างนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอก หมายเลขยีสิบแปดครับ mm hmm. ปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยการดูความคิดดูความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นพยายามที่จะไม่ยึดปล่อยวางกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปฏิบัติในรูปแบบสมาธิ mm hmm. เหมือนจะสงบแต่ไม่สงบเพราะมีความคิดผุดขึ้นมาตลอด mm hmm. แต่ก็ไม่มีความลำคาญสามารถอยู่กับความคิดนั้นได้ ก็ฝึกไปเรื่อยๆแหละสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะเราไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาดีเราฝึกให้เห็นความจริงไปว่าไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้จริงหรอกร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆดีไปทำต่อไปอย่าประคองจิตให้นิ่งก็แล้วกันหมายเลข4ี่อดครับ หลวงพ่อให้ไปดูตัณหา<ม>เพราะตัวนี้บงการพฤติกรรมอยู่<ม>เห็นว่าทุกครั้งที่เกิดตัณหาความทุกข์ก็จะตามมามและเพราะความไม่รู้จึงปรุงความคิดปรุงแต่ง<ม><ม>แล้วตัวตนก็ใหญ่ขึ้น<ม>เป็นตัวปรุงให้ตัวตนใหญ่ขึ้น<ม>ขยายความทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นตอนนี้จิตโดนครอบงําด้วยกิเลสโมหะโทสะความอยากที่จะพ้นทุกข์ จะผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยวิธีไหนคะรู้อย่างที่มันเป็นนะและใจเราไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางขีบที่หลวงพ่อสอนเนี่ยใช้จนตลอดสายของการปฏิบัติได้เลยนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตรงเนี้ใช้ได้ตลอดเลยะถ้าเคลื่อนไปจากหลักนี้ก็ไม่มีวิปัสสนากรรมฐานแล้วอดทนเอานะ ่ไปยากว่าจะอยากพ้นเร็วๆยิ่งอยากยิ่งไม่พ้นเพราะความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะอยากแล้วหวังว่าจะพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไปทำเหตุของทุกข์งั้นรู้ทันใจที่อยากไปอยู่กับปัจจุบันไปดีบ้างชั่วบ้างดูไปแล้วการที่เราเห็นกิเลสมากมายขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเพราะสมาธิของเราตกนะกาลัางสมาธิเราไม่พอ ใจมันฟุง้งกิเลสมันเลยฟุง้งผุดผุ ด, ดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยต้องแบ่งเวลาไว้นะหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทรทาทุกวันทุกวันมีเวลาทําได้ทุกชั่วโมงยิ่งดีชั่วโมงหนึ่งห้านาทีก็ยังดีะใจจะมีพลังมากกว่านี้ตอนนี้ใจยังไม่ค่อยมีพลังอใจไม่มีพลังใจมันจะไหลหฉลาดไปฉลาดมากิเลสเันจะพาเราไปกินเสือ้อไ่ไปเพิ่มสมาธิขึ้นเนี่าที่บอกนะ ไม่ได้มุ่งเอาสงบนะแต่ทำกรรมาฐานไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปทำไปเรื่อยๆทุกชั่วโมงทำให้ได้ชั่วโมงละหนาทีก็ยังดีอย่างงี้อาต่อไปหมายเลขห้าสิบสองครับจิตไม่ตั้งมัน่นทำสมาธิผิดเลยไม่กล้าทำอีกขอหลวงพ่อเมตตาด้วย จิตไม่ตั้งมั่นทำอะไรนะสมาธิผิดทำสมาธิผิดเลยไม่กล้าทำอีกขอหลวงพ่อเมตตาด้วยครับใครบอกเราว่าทำผิดอ่ะคิดเองก็เปล่าใครฟังรู้เรื่องบ้าง ไปเข้าสมาธิแล้วรู้ไม่ทันจิตเจ้าคะ่ะจิตเห็นจิตเข้าไปอยู่ในช่องว่างพยาย า, พยายามจะถอยออกแต่ถอยไม่ได้คะ่ะไม่ต้องถอยหรอกจิตี่อยู่ที่ช่องว่างก็รู้ว่าจิตอยู่ในช่องว่างมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ อ, ออกมาเองแหละถ้าเราไปหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอย่างนี้จิตเราจะวุ่นวาย เมื่อั้นเราพานาไปจิตลงไปอยู่ในช่องว่างรู้ไปอยู่ที่ช่องว่างถ้ายินดีพอใจในช่องว่างให้รู้ว่ายินดีถ้ายินร้ายไม่พอใจที่มาอยู่ในช่องว่างให้รู้ว่ า, ายินร้ายเะั้นไม่จะอยู่ตรงไหนไม่สาคัญสำคัญที่ว่ายินดีแล้วรู้ทันยินร้ายแล้วรู้ทันไม่ใช่ไปปฏิเสธมันนะการที่จิตเราไปอยู่ตรงนั้นได้น่ะจิตมันสูงแล้วละไม่จำเป็นต้องทิ้งไป แค่อยู่กับมันด้วยความเป็นกลางท่านนะ่ะนะอย่างพระบางองนะท่านมีความสุขภาวนาเดินจงกรมแล้วมีความสุขแล้วเพลินในความสุขอันนี้ถือว่าไม่ดีละแต่ถ้ามีความสุขใจท่านเพลิดเพลินท่านรู้ว่าเพลิดเพลินอยู่อันนี้ดีนะงั้นพอไปภาวนาต่อไม่ต้องเลิกหมายเลขหกสิบเก้าครับคนสุดท้ายครับ เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมีความก้าวหน้าตามลําดับขอให้หลวงพ่อโปรดชี้แนะด้วยว่ามีสิ่งใดยังติดอยู่หรือไม่ที่ปฏิบัติอยู่หนูพอช่วยเหลือตัวเองได้หรือยังและหนูพอจะให้คําแนะนําคุณแม่ได้หรือไม่แนะอนะไรแนะคุณแม่แนะนําแนะนําคุณแม่ของน้องเขาเองครับคุณแม่ของตัวเองใช่ไหมใช่ครับ เอาซีดีลงพ่อไปให้ฟังดีกว่านะจิตของเรายังไม่สะอาดพอหรอกมันยังเจือโลกเจืออะไรอยูนะ่อย่างขนาดนี้จิตก็ยังบังคับอยู่รู้สึกไหมเรายังเพ่งมันยังเครียดเครียดอยู่เลยนะวิธีสอนพ่อแม่ที่ดีที่สุดนะคือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาดู อย่างเราสมมติเราเคยเป็นคนโมโหร้ายงนเะ้ยเดี๋ยวนี้โมโหไม่ร้ายมีความแตกต่างเนี้ยเราก็ไปบอกแม่ได้อย่าเงี้ยเดี๋ยวนี้เราฝึกนะเรามีสตินะีเราเปลี่ยนไปแล้วต้องมีหลักฐานไปให้เขาเห็นนะลําพังอธิบายเฉยๆเขาไม่เชื่อหรอกเด็กเมื่อวันซืน่อนงนี้ยนั่นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้สะก่อนแล้วเอาความเปลี่ยนแปลงเนี้ยไปให้แม่ดู แล้วไปบอกแม่ว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรนะเขาถึงจะเชื่อไปดูตัวนี้ด้วยตัวเซลลนะ์ตัวตาตัวนี้ไปดูด้วยนะมันจะแรงอยู่เหมือนกันแหละคอยรู้ทันมันหมดแล้วเนื้อแล้วครับลวงพ่อนุโมทนานะนะทิตก่อน มีคนมาโวยวายใช่ไหมเดือนทิต์ถัดไปเราสงบสันติของเราอยู่ได้นะอย่างนี้สมเป็นลูกศิษย์มีครูอะถ้าเราไปโชคกับเขาก็งั้นๆนะ่ะคนอื่นก็ทำเป็นก็เก่งนะแก้ปัญหาแก้อะไรมีคนบุกมาไม่ได้จองนะคนบุกมา ไปเห็นชื่อของคนที่จองอ่ะอยากจะซื้อที่ของคนนี้อยากจะซื้อที่ดินเขาอ่ะแล้วทาถ้าทางน่ากลัวนะ mm hmm. เขาก็ mm hmm. าพยายามหนีอ ย, อยู่มาตามที่วัด mm hmm. ก็วยบายวอยวายแต่ววว mm hmm. พวกเราก็แก้ปัญหากันได้ดีสงบไปที่วัดไม่ใช่ที่จะมาตือ้อซื้อที่ดินใครนะ มันไม่ใช่ที่ขายที่ดินด้วยวัดไม่ใช่สถานที่ซื้อขายอะไรวัดไม่ใช่สถานที่รณรงค์ทางการเมืองด้วยนะถ้าใครรณรง์ทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนก็เชิญมันเป็นที่ของพระพุทธเจ้าที่ที่สงบสันติความวุ่นวายทิ้งมันไว้นอกวัดตอนนี้เข้ามาในวัดนะมาสัมผัส ความร่มเย็นเป็นสุขของธรรม ะ, ะอย่างนี้ถี่จะเรียกว่าเราเข้าวัดเป็น่ถ้าเข้าวัดมาเพื่อจะมาหลอกคนมีนะเข้ามาล้วเที่ยวถายจิตคนโน้นอย่างเงี้ยนะอะย่างนี้จะให้เขานับถือหาลาบสักการะอะไรอย่างนี้ก็มีหลวงพ่อก็ต้องไล่ออกไปถ้าเห็นมีแปลกแปลดถ้าเราเข้าวัดมาเพื่อจะมาเรียนรู้ธรรมะ เพื่อลดลากิเลสตัวเองอันนี้ดีมีผู้หญิงบางคนนะมาเนี่ยด้วยการนั่งรอว่าเมื่อไหร่หลวงพี่องค์นี้จะสึกมีนะ่ะไม่ใช่ไม่มีอย่านึกว่าไม่รู้นะแต่ว่าไม่อยากว่าหรอกนะไปหาที่อื่นไปนะอย่ามาศึกพ้าไปเลยนะ พวกที่บวชอยู่ทนำะมาหากินไม่ค่อยเป็นหรอกเอาไปก็เป็นภาระเปล่าๆเอาไปเหมือนหาลูกไปเพิ่มอะ่ะนะเป็นภาระยาวเลยพวกบวชแล้วเนี่ยทิ้งไว้ที่วันนี้แหละนะ เ, เชิญกลับบ้าน